บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในโสลดปัญหาคือปัญหาของมนุษย์สิบคนที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นก็มาถึงปัญหาของท่านโทตกะมนุษย์ซึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นใจความว่า ท่านนั้นมุ่งหมายมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อต้องการกราบทูลถามปัญหาและมีความเชื่อมั่นว่าจากการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้านั้นจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ท่านและท่านสรุปตอนสุดท้ายว่าขอแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันใหญ่ขอพระองค์จรงทรงสัตว์บอก ก็ปฏิบัติสำหรับศึกษาทางนิพพานเพื่อตนแก่ฆ่าพระองค์ประเด็นที่ควรจะกล่าวในที่นี้ก็คือเรื่องของการศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนานั้นได้แสดงขั้นตอนของการศึกษาไว้เป็นสามขั้นอย่างที่ทราบกันแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้ว ก็ไม่ได้เรียกว่าศลสมาธิปัญญาทรงทงแต่เรียกว่าอาธิศีลอาธิจิตอาธิปัญญาคำว่าอาธินั้นแปลว่าอย่างยิ่งซึ่งหมายความว่าในจุดของศีลก็มีความสมบูรณ์ในฐานะนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสมาทานในข้อใดก็ตามครวนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่า อย่างสิญข้อที่หนึ่งที่ทรงบัญญัติไว้ว่าปาณาติปาตาเวรมณีโพื เ, เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตายในศิญหก็เป็นอย่างนั้นในกรรมกิเลสคือการกระทําที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองก็เป็นอย่างนั้นในศีญแปก็เป็นอย่างนั้นในกุศลกบฏส10ก็เป็นอย่างนั้น แม้ในอริยมรรคก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช้คําเหมือนกันแต่ว่าโดยหลักของการระพฤติปฏิบัติแล้ว <c oughs> ก็ยังลึกลงไปให้เก้าถึงความสมบูรณ์ในจุดเหล่านั้น <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นการรักษาศีลจนไม่ต้องรักษาคือให้ศีล ร, รักษาเราแต่ที่เราจะรักษาศีลซึงก็หมายความว่า ด้วยการประพฤตปฏิบัติที่มีการขัดเกลวสติกรรมของตนมาโดยลำดับนั้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วศีลก็เข้าไปถึงใจเมื่อเข้าถึงใจก็แปลสภาพตัวเองเป็นธรรมะเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวผงใจหรือกลายเป็นหลักใจของผู้ปฏิบัติจากนั้นการแสดงออกทางกายทางวาจาของบุคคล จะเป็นศีลไปเองโดยอัตโนมัติเพราะมีธรรมะเป็นหลักอยู่ภายในใจแล้วดังนั้นเวลาทรงสดแสดงเรื่องของศีลในกรณีที่ทรงไขอธิบายก็เจ้ทรงใช้คำว่าอย่างตัวอย่างข้อที่หนึ่งทรงใช้คำว่าก็เว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตในตายวางอา ว, วุธเครื่องประหารต่างๆ มีความสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายไม่มีความมาคาดมีใจเมตตามีใจเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเึ่งก็หมายความว่าก็เดินมาถึงจุดที่เป็นธรรมะคือความเมตตาความเอ็นดูก็ต่อจากนั้นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ก็จะเป็นการระมัดระวังไม่กระทบกระทั่ง วัสดีภาพทางร่างกายของเขาเองโดยอาตโนมัตินั่นก็คือศีลที่เรียกว่าศีลจึงโดยใช้คำว่าอาธิศีเป็นตน้ในแม้ในอาธิจิตอาธิปัญญาก็ทรงเน้นลึกลงไปในลักษณะเช่นเดียวกันถ้าจะถามว่าศึกษาเพื่ออะไรท่านก็ตอบว่าศึกษาเพื่อละเพื่อพรอใคร เพื่อระงับเพื่อดับซึ่งอกุศลทั้งหลายมีความโลภความโกรธความหลงความริษยาอาฆาตวรณนะจิจิตัญหาเป็นตน้นทำไมจึงต้องสงบระงับดับสิ่งเหล่านั้นเพราะผู้ปฏิบัติจะต้องได้พิจารณาเห็นไปจากแก่ใจของตนเองด้วยว่า การประพฤติกระทำอะไรก็ตามถ้ายังตกอยู่ภายใต้การบงการของพวกอคุศลเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามอิสรภาพความสุขความส ง, งบก็จะเกิดขึ้นได้อย่างอย่างที่พระพุทธมีพระพักเจ้าทรงแสดงไว้บ้าบุคคลผู้ตกเป็นทาสของตัญหาย่อมได้รับความเดือดร้อน แม่จะแมจะไม่แสดงออกทั้งทางกายหรือทางวาจา ก, ก็ตามแต่การสายไปไปของจิตนั้นจะมีลักษณะวิ่งพลันมองเห็นเป็นปรูปธรรมก็เหมือนกระเสือติดจังคือจะวิ่งพลันไปในอารมณ์ทั้งหลายรักบ้างชังบ้างไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแระเป๋ากระใจที่พล่องที่ไม่รู้จักเต็มจะกิ่มจากพอนั่นเอง ตนาจึงเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายหยาบบ้างประณีตบ้างเรวบ้างดีบ้างใกล้บ้างไกลบ้างอดีตบ้าง อ, น า, งอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างนี้ก็คือการเล่นไปของจิตผู้ปฏิบัติได้เพ่งพินิพจนามองเห็นโทษของกิเลสมีตันหาเป็นต้นแล้วได้ศึกษาเรียนรู้มาว่าพระพุทธมีพระเจ้าทรงสดแสดงหลักของอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญา เป็นข้อปฏิบัติในการสงบระงับดับซึ่งอกุศลเหล่านี้จึงได้เพียรพยายามศึกษาประการต่อไปวิธีการศึกษานั้นศึกษาด้วยวิธีการอย่างไรข้อนี้ถ้ามองจากหลักคือมองจากภาพ ร, มรวมๆเรื่งการศึกษาของพุทธสาวกในสมัยนั้น และวิธีการศึกษาของพระพุทธเจ้าเองตลอดถึงทรงสั่งสอนแก่ระษาบกจะมองเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าถ้าบุคคลมีความพร้อมแล้วก็ศึกษาได้ตลอดไม่ว่าจะอยู่ในริยาบทใดอยู่ในอารมณ์ใดก็ตามการศึกษานั้นก็ทำได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นชั้นศีลชั้นจิตหรือชั้นปัญญาก็ตาม อย่าที่ท่านยกตัวอย่างเอาไว้เช่นเมื่อเห็นอะไรก็พึงศึกษาสำเนยจให้ประจกักษ์ชัดแก่ใจถึงสถานะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นวันนี้จะเห็นว่าพระรง์แสดงธรรมะนั้นก็จะหยิบช่วยเอาสิ่งต่างๆที่คนทุกคนเห็นกันอยู่ในขณะนั้น มาเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้ของบุคคลทั้งหลายจนวันนั่งอยู่ริมทะเลพร้อมโดยหมู่ภิกษุทั้งหลายก็รับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายมองเห็นเมื่อการที่บุคคลท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ ต, ต้องร้องไห้เสียใจปริเวธนาการกำหควญไปด้วยประการต่างๆ ยามที่ตนจะต้องยามที่ตนต้องพัดพากจากปรีชนคนที่รักเป็นต้นนั้นน้ําตาที่ไหลออกเพราะการร้องให้เสียใจเมื่อปรีชนคนที่รักจากไปหากว่าน้ําตาเหล่านั้นไม่ขึ้ดแห้งไปจะมีปริมาณมากกว่าน้ําในมหาสมุทรสี่ในขณะเดียวกันก็สงใช้ หาสมุดนั่นเองเป็นอุปกรณ์ในการสั่งสอนได้อีกเป็ น, น, นเอเนกปริยายเสนแสดงลักษณะของหมาสมุดว่ามีความลาดลุ่มลึกลงไปโดยลําดับมาเที่ยวก็หลักในพระพุทธศาสน า, าว่าการาศึกษาในพระพุทธศาสน า, าก็มีการลาดลุ่มลึกลงไปโดยลําดับจึงบุคคลที่ลงไปศึกษา ในหลักพระพุทธศาสนานั้นก็จะมีการศึกษาไปโดยลำดับจากเรื่องง่ายๆเรื่องา พ, พื้นไปสู่เรื่องที่มีความประณีตขึ้นไปจะเอาน้ำเค็มที่มีอยู่ในสถานที่นั้นแล้วก็มาสรุปรวมชี้ว่าละคคำสอนของพระองค์ทั้งหมดไม่ว่าจะสอนโดยปริยายอะไรก็าตามแต่ในที่สุดก็จะมารวมกัน ตีจิตของผู้ปฏิบัติเหล่านั้นจะหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสและอํานาจของความทุกข์ในสัดส่วนนั้นๆในธรรมวินันนนยจึงมีรถเดียวคือวิมุตติรถได้แก่จิตที่หลุดพ้นจากอํานาจกิเลสและความทุกข์ดังกล่าฉันได้น้ําที่ไหลามาจากแหล่งน้ําต่างๆไม่จะเป็นแหล่งน้ําอะไรก็ตาม แต่เมื่อมาถึงทะเลแล้วก็จะมีรถเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองคือรถเก็มเป็นต้นก็นี้จะเห็นได้ว่าเมื่อเห็นอยู่นั้นเองมันก็ใช้อุปกรณ์ในการศึกษาได้ทุกขั้นตอนบางครั้งบางคราวก็ทรงอาจจะนั่งอยู่ริมภูเขาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ก็แล้วแต่จะทรงปรารบอะไรขึ้นมาตัวอย่างเช่นทรงปรารบถึงสังสารวัฏ ที่บุคคลหมุนวนกันอยู่ในภจักคือล้อของภพหรือบางครั้งก็เรียกว่าไตรวัดคือการหมุนสามอย่างทรงชี้เห็นว่าชีวิตของบุคคลเราที่เกิดเกิดตายตายตายตายเกิดเกิดกันอยู่เงื่อนต้นและที่สุดของสังขารทั้งหลายนั้นไม่ปรากฏ แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ากระดูกของบุคคลที่ตายไปแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วกระดูกเหล่านั้นยังคงอยู่ไม่สึกสลายไปกระดูกของคนแต่ละคนที่ตายจากชาติหนึ่งไปเกิดอีกชาติหนึ่งแล้วก็ถูกเผาแล้วก็ตายต่อไปนั้นมีมากกว่าภูเขามีมากมีความสูงใหญ่กว่าภูเขาทั้งลูกสิจึงแสดงว่ากองกระดูกนั้นมากเลย นี่ก็เามาเป็นอุปกรณ์การสอนในเรื่องที่ทรงเข็ญแต่นในการเห็นนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติหลายกรณีด้วยกันเพราะวเวลาทรงแสดงทั้งทางเกิดของกิเลสทรงพูดเรื่องการสำรวมระหวังเบีตาเห็นรูปหูฝังเสียงจมูกดงกลิ่นเป็นต้น ซึ่งก็หมายความว่าทางเกิดของอกุศลนั้นก็มาจาก3มศจากประสาทสัมผัสของบุคคลเหมือนกันแต่ว่าการศึกษาในชั้นนี้ในชั้นที่ถือว่าจิตใจได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมากแล้วนั้นเป็นการศึกษาในสองระดับระดับแรกก็ศึกษาว่าสิ่งนั้นถืออะไรที่นั้นเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ ศึกษาเข้าใจโดยสถานะนั้นๆและในขณะเดียวกันสิ่งใดที่เป็นโทษก็เพียรพยายามหลับสิ่งใดที่เป็นคุณก็เพียรพยายามเจริญนี่ถือว่าเป็นการศึกษาที่ใช้ปัญญาอีกระดับหนึ่งเดี่ยวการศึกษาที่สูงขึ้นไปคือใช้ปัญญาอีกระดับหนึ่งนั้นก็หมายถึงการศึกษาว่าอย่างไรทังนั้นจะเป็นอะไรก็ได้แต่เรามองว่าอย่างไร เช่นสมมติว่ารูปที่สวยๆงามๆซึ่งตามปกติเป็นที่ตั้งแห่งความกันดินดีแต่ถ้าคนมีพื้นฐานทางจิตใจที่มีความมั่นคงมากพอมีปัญญามากพอก็จะโยงปัจจุบันที่ตนเห็นรูปซึ่งประนีตอยู่นั่นเองเข้าไปสู่อนาคตกาศสิบปียี่สิบปีสามสิบปี แต่ในที่สุดก็จะเห็นว่ารูปอันเดียวกันนั้นเองรูปคนเดียวกันนั้นเองรูปตัวเดียวกันนั้นเองไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นต้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงกันไปอยู่ตลอด ก, การศึกษาในชั้นนี้จึงจําเป็นจะต้องใช้ปัญญาเป็นหลักในการพินิจารณามากเพราะทําไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเห็นได้ยากอิง ปัญญาที่ใช่จึงต้องมีทั้งสองฐานคือฐานที่มีอยู่แล้วภายในใจกับฐานที่เสริมสร้างขึ้นมาใหม่ให้มีกําลังมากพอที่จะทะลุทะลวงความจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้ามองย้อนกลับเข้าไปสู่อนาคตจะการใดลักษณะาการมองในแนวนี้จึงเป็นการมองในแนววิปัสสนากรรมฐาน การมองแนววิปัสสนากรรมาฐานเพิ่งเข้าใจว่าอย่างที่พระพุทธเจ้ามองเห็นติวทูตนั้นเป็นการมองอย่างวิปัสสนากรรมาฐานก็เนเ็นกันอยู่นั้นอยู่ในยักบดอะไรก็ได้แต่มองสิ่งนั้นว่าสภาวะที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วก็น้อมนำเอาความจริงเหล่านั้นเข้ามาเทียบเคียงกับตนเข้ามาหาตนจนเกิดเห็นความจริงว่าแม้ตนเองก็จะเป็นอย่างนั้น ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้พระไตยของพระองค์ก็เริ่มถ่ายตอนแล้วมองไปโดยสรุปก็จะเห็นภาพอย่างเดียวกันไม่แก่วันนี้ต่อไปก็ต้องแก่ไม่ตายวันนี้ต่อไปก็ต้องตายไม่มีใครจะร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่ก็คือเกิดมาจากการเห็นแต่บางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงช่วยเหลือ ให้บุคคลเหล่านั้นได้เห็นความจริงไปจากแก่ใจจายการที่ทรงบันดาลโดยพุทธานุภาพไปมีรูปสวยงามปรากฏแก่สายตาของพระรูปปนันตาเทรีซึ่งเป็นกนิษตาปกินิของพระองค์ท่านเป็นผู้หลงอยู่ในรูปมากพระพุทธเจ้าทรงนิรมิตรรูปที่ประนีตขึ้นมารูปหนึ่ง นางจับตาดูในรูปนั้นแล้วเริ่มบรรดาดยพุท ธ, ธานุภาพให้รูปอายุ16ปีซึ่งกำลังตั้งอยู่ในวัยที่เปล่งปลั่งสวยงามนั้นผ่านการเวลาไปอย่างรวดเร็วจนถึงร2 0ปีแล้วก็เชื่อมโยงภาพเหล่านั้นเข้าหากันจะเห็นว่ามีความเกี่ยวเนื่องถึงกันแน่นอนเมื่ออายุส6ปีแกไม่แก่แกไม่เท่าไม่จะราไม่ก้าม้าไป แต่พอถึงร้อยี่สิบปีหรือว่าที่จริงก็ก่อนจากนั้นร่างกายก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้นี่ก็คือศึกษาด้วยการเห็นแล้วพอถึงระดับของกรรมฐานก็เป็นการศึกษาด้วยการเห็นเป็นอันมากยังอารมณ์ของกรรมฐานบางประการนั้นอาศัยการมองเป็นหลักใหญ่ไม่ใช่อาศัยการหลับตาเป็นหลักใหญ่ อลปตาเป็นหลักใหญ่ก็เน้นไปที่พวกกรรมาฐานจึงโดยเฉพาะออย่างยิ่งก็คือพุทธก็คืออนาปานสติแต่พวกกรรมาฐานเหล่าอื่นเจ้า ก, การมองให้เห็นส้างศพต่างๆที่ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆในฐานะต่างๆก็เป็นการลืมตามองมองกันและในที่สุดก็น้อมนึกเข้ามาก็หลับตาหเห็น จนในที่สุดจะมองจะลืมตาหหลับตาก็เห็นเพราะั้นกรรมาฐานประเภทนี้ก็จึงอาศัยการมองต่อเกิดอาศัยการเห็นเป็นหลัแลกแต่กรรมาฐานข้อที่เกี่ยวกับพวกอาหารเรศติคูลสัญญา ก, ก็ดีพิจารณารู้เรื่องาธาตุก็ดีพิจารณากระสนคือเพ่งดูดินน้าลงไฟเพ่ง ด, ดูสีต่างๆสีเขียว ส, สีเหลืองสีแดงสีขาวน้น ก็เป็นการเพ่งด้วยตาแต่ว่าศึกษาเพื่อให้จิตมันเกิดความสึกมงถ้ามองในลักษณะ น, นั้นก็กลายเป็นสรรมถกรรมฐานคือเป็นส่วนของจิตสิกขาแต่ในขณะเดียวกันภาพมองแล้วเกิดการสํารวมระวังงดเว้นไม่ประพฤติไม่ละเมิดไม่กระทำก็กลายเป็นเรื่องของสิลสิกขา แต่ว่าอาหารทักศบเรื่องอะไรก็ตามที่เรามองอีกแนวหนึ่งคือมองในแนวการพาิจารณาเห็นถึงเหตุปัจจัยและความเปลี่ยนทั้งสิ่งตรงนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความกาหนัดดินปีของบุคคลทั้งหลายเพราะแท้ที่จริงแล้วเป็นกลุ่มของสังขารธรรมที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปจตัจจัยดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยและในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปนี่ก็เป็นการศึกษาด้วยการเห็น ในการศึกษาด้วยการได้ยินเพราะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือเป็นทั้งส่วนปริยัติเป็นทั้งส่วนปฏิบัติและผ่านขั้นตอนไปโดยลาดับจนสัมผัสปฏิเวทได้ด้วยการได้ยินอย่างเดียวครานี้ดูตัวอย่างง่ายๆเช่นบุคคลที่เข้าไปฟังธรรมะในพุทธสํานักรูภเกษุภาคเจ้าก็ทรงสดแสดงว่า บุคคลผู้มีศรัทธาคือเกิดศรัทธาขึ้นภายในใจแล้วก็เข้าไปหาแล้วเข้าไปหาก็นั่งกลายแล้วก็นั่งกลายก็ฟังธรรมเมื่อในขณะที่ฟังธรรมก็เงี่ยหูลงฟังธรรมนั้นกําหนดข้อความแห่งธรรมนั้นพิจารณาข้อความแห่งธรรมนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการศึกษาอีกระดับ น, นโดยอาศัยการฟังเป็นประมาท แต่ไม่ใช่ฟังแล้วหยุดเป็นการฟังแล้วก็นำไปย่อยด้วยหลักของจินตามะยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเพ่งพินิจพิจารณาคนบางคนเขาได้ยกตัวอย่างอุปกรารชีวกที่กราบทูดถามพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่เสด็จไปกรุงพาราณสี องทรงแสดงสถานะความเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอุปการทิพกปรับใจไม่ได้คือไม่สามารถจะเชื่อได้เพราะเป็นเรื่องกระธันถันแล้วก็ใหญ่โตเกินไปแต่จากการได้ยินในคราวนั้นเองอีกหลายปีต่อมาท่านเริ่มคิดเป็นิพพิจนาก็เกิดเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงได้จึงกลับมาบวช ถึงแม้จะนานหน่อยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สียหายอะไรหรือว่าการที่ภาษาริบุตรได้ฟังทมในสำนักของพระพุทธเจ้าในสำนักของพระอาจชีพระธรรม ท, ทั้งหลายเกิดจากเหตุพระธถามกเจ้าจะเหตแห่งธรรมนั้นแด้วความดับแห่งธรรมนั้นประมาสสำนักมีปกติจากดอ่านนี้โดยการฟังข้อธรรมเพียงเท่านี้ พิจารณาจากข้อธรรมเพียงเท่านี้แล้วก็บรรลุมรักผลเป็นพระยะบุคคลไปได้หรือบางครั้งก็เป็นข้อความสั้นๆที่พระพุทธเจ้ารับสั่งสอดคร้องกับจริตอัตยาศสายของบุคคลนั้นอย่างที่ทรงสแสดงแก่พระโมคคลลานะโดยสรุปหรือสแสดงกับภาษารีบุตรโดยสรุปก็สรุปในแนวเดียวกัน ภาษาที่บุตรฟังธรรมะในพุทธสัมนักที่ทรงแสดงแก่ที ข, ขคันขะอเวสนะที่จริงก็แสดงมากแสดงเรื่องเวทนาหลากหลายทิฏฐิที่หลากหลายออกไปแต่ท่านพิจารณาตามไปคิดตามไปเสร็จแล้วท่านสรุปไว้นิดเดียวว่าพระพุิธภาค้าทรงแสดงว่าธรรมั้งบวงไม่กวนยึดมั่นถือมั่น แสดงธรรมะมาตั้งพระสูตรท่านมาสรุปใต้บรนทัดเดียวแล้วก็มองกระจายจากจุดสรุปนั่นเองเข้าไปเนื้อหาของธรรมะที่ทรงแสดงไปแล้วก็เข้าไปหาเรื่องอื่นๆแนมะ้ที่ไม่ทรงแสดงไปนี่ก็เป็นเรื่องการศึกษาด้วยการพิจารณาโดยการอาศัยการเห็นแล้วนํามาพิจารณาที่จริงตั้งการเห็นการฟังเป็นต้นนั้น ถือว่าเป็นประตูเป็นบันไดที่จะนําไปสู่การประพปฏิบัติที่ประณีตมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเห็นไว้เฉยๆหรือว่าได้ยินไว้เฉยๆไม่ได้นําไปพิจารณามีเท่าไหร่ก็มีอยู่เท่านั้นแล้วก็มีแต่จะเสื่อมไปแต่ถ้าหากว่าผ่านการเพ่งพิจารณาไปด้วยความอย่างรู้ความเข้าใจก็จะเกิดมากยิ่งขึ้น การต่อไปคือในชั้นที่เราทราบเรื่องราต่างๆทางประสาทสัมผัสโดยการดมด้วยจมูกโดยการลิ้มด้วยลิ้นโดยการถูกต้องด้วยกายแล้วก็ทราบกลิ่นทราบรสทราบเยนร้อนอ่อนแข็งของสิ่งเหล่านั้นในกรณีที่เป็นการพิจารณาตรงตัวก็เป็นไปดังที่กล่าวมาแล้ว คือพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรแต่ในกรณีของการใช้ปัญญาพิจารณานั้นพิจารณาในแง่มุมว่าอย่างไรบุคคนก็สามารถจะหาประโยชน์ได้จากสิ่งที่ตนได้ทราบมาไม่ว่าในขั้นควรกําหนดรู้ถึงสภาวะที่เป็นจริงโดยธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นถึงการกําหนดรู้ในลนนักษณะนี้บางทีก็กล่าวเป็นรวมๆคือรวมไปหมดเลยกลายเป็นบทสวด ส, วสาธะใหญ เช่นปเห็นรูปก็กำหนดรู้ว่ารูปนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ช่ตัวไม่ใเจตุนสิ่งใดไม่ช่ตัวไม่เจตุสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เป็นเราสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตุอะไรของเราใจก็จะยอมรับความจริงในสิ่งนั้นสองด้าน ด้านสมมติบัญญัติที่เป็นกฎกติกาถือประพฤติปฏิบัติกันในสังคมนั้นๆก็พยายามพระพฤทธปฏิบัติได้ถูกต้องสมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันก็มองความจริงอย่างแท้จริงที่ปรากฏอยู่ในสิ่งเหล่านั้นการมองเห็น2ด้านอย่างนี้ยาเมื่อได้มาก็ไม่เพลิดเพลินนักเลยหลง ยามเมื่อ ด, ดำรงอยู่ก็ไม่หมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านั้นแต่สิ่งนั้นก็คนนั้นยามที่สิ่งเหล่านั้นพรากจากไปใจก็พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญปัญหาเหล่านั้นไม่ก่อให้เกิดความโศกความเสียใจเข้าไปกัดกร่อนมากเกิดไปหรือในกรณีของการบังเกิดศรัทธาขึ้นในคูณของพระรัตนตรัยเป็นต้น บุคคลก็อาศัยเรื่องเหล่านี้เป็นการศึกษาเสเน็จศรัทธาในเบื้องต้นนั้นก็ศึกษาสองอย่างอย่างแรกคือวัตถุบุคคลหรือเรื่องที่เป็นต้นเหตุให้เกิดศรัทธาขึ้นมาประการที่สองก็คือตัวสอบศรัทธาความเชื่อที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนประสภาว่าของศรัทธาที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร แล้วเวลาเกิดขึ้นภายในใจิตใจของเราดันแก่แสดงสภาวะของแกได้เต็มที่หรือไม่มันเหมือนกอะระดาเหมือนกับมองสภาวะของสีขาวเพราะสีขาวนั้นมีสภาวะที่ขาวเวลาจะไปทาในที่ใดก็ตามที่ดันก็ต้องขาวตามไปด้วยแต่ถ้าเอาสีขาวไปทาแล้วสถานที่ดันยังไม่ขาวแสดงว่าปริมาณของสีขาวน้อยไป มาดูใจของตนที่บอกว่าสัตว์มีศรัทธาบังเกิดขึ้นก็จะมองเห็นในยักษ์เช่นเดียวกันศรัทธานั้นมีลักษณะผ่องใสและมั่นคงเกิดขึ้นภายในใจก็ดูใจว่ามีความผ่องใสไหมมีความเครือบแกลง้งสงสัยลังเลใจไม่มั่นใจในเรื่องต่างๆเหล่านั้นหรือไม่แต่จิตใจของตนมั่นคงในวัตถุในบุคคล ที่ตนก่อใเกิดสรัทธาหรือไม่เป็นต้นนี่ก็เป็นการเรื่องศึกษาการตรวจสอบการพินิษพิจารณาทุกเรื่องไม่่าเรื่องอะไรก็ตามแต่การศึกษารวมๆจึงใช้คําว่าสัพเพสังขาระหมายความว่าเรียนไปได้รวมๆเลยข้อสาคัญว่าใช้ปัญญาพินิษพิจารณาให้ดีก็ได้กันก็จะได้ประโยชน์ได้ความความรู้ความเข้าใจจากสิ่งต่าง พระพุทธเจ้าประหารทั้งหลายต่าก็ศึกษาจากสิ่งรอบตัวของท่านแล้วก็รู้จากสิ่งรอบตัวหลุดพ้นจากกิเลสเพราะเพราะอาศัยสิ่งรอบตัวของท่านชั้นใดแม้การศึกษาที่สงวางไว้ในพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉันนั้นมีการเพียรพยายามสำเนียมศึกษาอยู่บ่อยๆแล้วก็จะได้สัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาตามสุควรแก่การประพฤติปฏิบัติ ต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป